ครับคุณผูฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับการเรียนรู้ติดตามชีวิตโยคีค่ะจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษายโยคานันทะโยคีชื่อดังของอินเดียและโด่งดังในสหรัฐอเมริกานะคะเป็นอัตาชีวประวัติที่ท่านเขียนขึ้นด้วยภาษาอังกฤษค่ะเป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน หนในหนังสือจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในแห่งในศตวรรษนี้เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถจะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะชื่อหนังสือว่าอัตตาชีวประวัติของโยคีประมาหังษาโยคานันทะที่ท่านเล่าเรื่องของตัวเองกับชื่อเดิมว่ามุกุลธะ มีโอกาสถามอาจารย์ประมวลเพ่งจันนะคะว่าออกเสียงอย่างไรสำหรับชื่อมุกุลทะท่านเขาบอกว่าออกเสียงได้2แบบถ้าออกเสียงแบบอินเดียแท้ๆก็ต้องออกเสียงว่ามุกุลดาแต่ถ้าออกเสียงแบบไทยก็สามารถจะออกมุกุลทะได้ก็เลยตกลงใจว่าเรียกมุกุลทะก็แล้วกันนะคะวันนี้เป็นตอนที่8นะคะ แล้วก็เป็นตอนที่มุกุลทะของเราเนี่ยไปกับอาจารย์มหัศยะซึ่งก็เป็นโยคีอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความอ่อนโยนเมตตาและท่านก็ชวนไปดูหนังไปที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยซึ่งกําลังมีการบรรยายแต่ว่าเป็นการบรรยายที่น่าเบื่อมากแล้วก็ มุกุลท้าเนี่ยก็รู้สึกเบื่อไม่อยากดูท่านมหาสยาก็บอกว่ารู้แล้วละ่ะว่าไม่ชอบหนังแบบนี้แล้วก็ได้ทูลพระโลกมาตาแล้วแล้วก็บอกว่าพระโลกมาตาบอกว่าจะทำให้ไฟดับเดี๋ยวนี้และจะไม่ให้ไฟติดขึ้นมาอีกเลยจนกว่าทั้งคู่จะออกจากห้องไปแล้วโอ้โหดูหน้าแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะว่า จะสามารถดนบันดาลให้เป็นไปได้แบบนั้นได้จริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงนั่นก็หมายถึงว่าท่านมหาสยะเนี่ยสามารถติดต่อกับอำนาจเหนือธรรมชาติได้วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นกับชีวิตโยคียตอนที่8เชิญฟังได้เลยค่ะ อสิ้นเสียงกระซิบของท่านมหัสยะห้องประชุมก็ตกอยู่ในความมืดทันทีเสียงบรรยายของอาจารย์ก็เงียบหายไปครู่หนึ่งด้วยความแปลกใจหมายถึงเสียงของอาจารย์ผู้บรรยายนะคะเอระบบไฟในห้องประชุมเห็นจะเสียละมั้งทุกคนก็แปลกใจจู่ๆไฟก็ดับถึงตอนนี้ท่านมหัสยะ กับมุกุลทะก็ก้าวพ้นประตูห้องออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อหันหลังมองย้อนกลับมาจากทางเดินมุกุลทะก็เห็นแสงไฟในห้องกลับมาส่องสว่างอีกครั้งท่านองค์น้อยถึงเธอจะไม่ชอบหนังแบบข้างไหนนั่นแต่ฉันว่าเธอจะต้องชอบหนังแบบนี้แน่ตอนนั้นท่านมหัศยะกับมุกุลทะ ยืนอยู่บนบาดวิถีหน้าอาคารอาหารวิทยาลัายท่านตบอกตรงหัวใจของมุกุลทะเบาๆเสียงรอบตัวเข้าพปเจ้าเงียบหายไปหมดเหมือนภาพยนตร์มีเสียงสมัยใหม่กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ไร้เสียงเมื่อระบบเสียงไม่ทำงานดุจเดียวกับที่หัดเบื้องบนหยุดสัพพะสำเนียงเสียงเซ็งแซ่บนโลกเอาไว้ด้วยปาฏิหาริย์วิธีบางอย่างทั้งคนเดินถนนรถลาก รถยนต์เกวียนเทียมบัวและรถม้าล้อเหล็กล้วนเคลื่อนไหวไปรอบตัวข้าพเจ้าโดยปราศจากเสียงตัวข้าพเจ้านั้นเรากับมีตาทิพย์ประมองเห็นภาพฉากเหตุการณ์ต่างๆทั้งเบื้องหลังและรอบข้างตนเองได้อย่างง่ายดายเรากับอยู่ตรงหน้ากระนั้นภาพกิจกรรมทั้งหมดในมุมเล็กๆของเมืองกาลกากตตาได้เคลื่อนผ่านสายตาข้าพเจ้าไปโดยไร้เสียง เป็นภาพในมุมกว้างที่มีแสงเรืองๆแผ่ปกคลุมประหนึ่งไฟจากฐานที่แดงวาบขึ้นมาให้เห็นรางๆภายใต้พื้นผิวขี้เท่าอันเบาบางตัวข้าพเจ้าเหมือนเป็นเงาหนึ่งในบรรดางเงาทั้งหลายแม้จะไม่ไหวติ่งเหมือนคนอื่นๆที่เคลื่อนไหวไปมาโดยไร้ซุ้มเสียงก็ตามเด็กชายหลายคนที่เป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า เดินตรงมาหาแล้วผ่านเลยไปแม้สายตาจะมองตรงมาที่ข้าพเจ้าแต่กลับไม่มีวี่แววว่าจะมองเห็นหรือจดจำข้าพเจ้าได้มหัศจรรย์เลยนะคะจูๆ่ๆสับปะสิ่งรอบข้างก็ไร้เสียงคือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเงียบเสียงหมดเลย เหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางภาพเคลื่อนไหวที่ที่ไม่มีเสียงเหมือนอยู่ท่ามกลางหนังเงียบซึ่งท่านโยคานันทะหรือว่ามุกุลทะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกมหาัศาจรรย์มากแต่ก็มีความสุขมากจนยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดภาพยนตร์ไร้เสียงอันแปลกประหลาดนี้ ทำให้ข้าพเจ้าสุขล้นจนยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดเฝ้าแต่เครือบเคลิ้มดื่มดำอยู่กับต้นตอแห่งความปิติสุขนั้นเมื่อท่านอาจารย์มหัสยะตบเข้าที่อกข้าพเจ้าเบาๆโดยไม่ได้บอกกล่าวอีกครั้งเสียงเอะอะโกลาหนของโลกแห่งความเป็นจริงก็ดังเซ็งแซ่จู่โจมเข้าใส่โสตประสาทที่ไม่พร้อมรับข้าพเจ้าส่วนเซเหมือนถูกกระชากให้ตื่นจากความฝันอันบาวิว น้ำโสมทิฟอันเลิศรถถูกพากไปไกลเกินกว่าที่ข้าพาเจ้าจะเอื้อมถึงเสียแล้วท่านองค์น้อยฉันว่าหนังไบโอสโคโปแบบหลังนี่คงจะถูกใจเธอมากกว่าแบบแรกสินะท่านอาจารย์มหัสยะพูดยิ้มยิ้มมุกุลทะย่อตัวลงหมายจะคุกเข่าขอบพระคุณท่านตอนนี้ เธอทําอย่างนั้นกับฉันไม่ได้แล้วนะเธอก็รู้ว่าเพราะเป็นเจ้าทรงสถิตยอยู่ในตัวของเธอเช่นกันฉันจะปล่อยให้พระโลกกับมาตามาสัมผัสเท้าฉันผ่านทางมือเธอไม่ได้เป็นอันขาดข้าพเจ้ารู้สึกว่าสนธยาที่คลีค่คลุมลงมาในเย็นวันนั้น ช่างดื่มดำกํำซาบไปด้วยพลานุภาพแห่งพระเป็นเจ้าเสียจริงๆความกรุณาของท่านอาจารย์มหัสยะนั้นไม่มีถ่อยร้อยวาจาใดาจะนํามาเอ่ยอ้างให้เสมอเหมือนได้เข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านอาจารย์มหัสยะกับโยคยีอีกหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าจะรู้หรือไม่ว่า อีกหลายปีต่อมาข้าพเจ้าจะนําเรื่องราวของพวกท่านในฐานะสาวกผู้เข้าถึงพระเป็นเจ้ามาเขียนเป็นหนังสือไว้ในประเทศตะวันตกแห่งหนึ่งและหากว่าพวกท่านรู้ได้ล่วงหน้าข้าพเจ้าก็จะไม่ประหลาดใจเลยและหวังว่าท่านผู้อ่านซึ่งติดตามข้าพเจ้ามาจนถึงตอนนี้จะไม่นึกประหลาดใจเช่นกัน นักบวชในทุกศาสนาล้วนเข้าถึงพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางแนวคิดอันเรียบง่ายที่ว่าด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ทั้งสิน้นโดยเหตุที่พระองค์ทรงเป็นนิรคคุณคือกำหนดคุณลักษณะใดๆไม่ได้และทรงเป็นอจินไตยคืออยู่เหนือความคิดจนไม่อาจคาดเดาได้ความนึกคิดและไฝ่ฝัญหาจึงผลักดันให้มนุษย์ สร้างรูปลักษณ์ของพระเป็นเจ้าขึ้นมาในรูปมารดาแห่งจักรวาลการหลอมรวมศรัทธานในเชิงเทวนิยมของบุคคลเข้ากับหลักปรัชญาอันว่าด้วยพระเป็นเจ้าผู้เป็นองค์สมบูรณ์จึงเป็นผลสำเร็จของแนวคิดฮินดูในสมัยโบราณดังปรากฏอัฏฐาธิบาอยู่ในคำภีพระเวทและคมภีพระวัดคีตา การผสานสิ่งที่ตรงข้ามกันเข้าด้วยกันเช่นนี้ย่อมสนองตอบได้ทั้งหัวใจและสมอง มาถึงบทที่10บค่ะบทนี้ได้พูดถึงครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งในชีวิตของท่านโยคานันทะที่ตอนนี้ท่านยังเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ามุกุลทะนะคะบทนี้เล่าถึงตอนที่ท่านพบกับอาจารย์คุรุสียุคเตสวนตอนนั้นท่านสัญญากับพ่อ ว่าจะเรียนให้จบชั้นมัธยมแต่ท่านก็ไม่อาจจะเสแสร้งแกล้งทำเป็นขยันเรียนได้เพราะว่าใจเนี่ยมุ่งอยู่กับการบวช ด, ดังนั้นหลายเดือนที่ผ่านมาท่านโยคานันทะในชื่อมุกุลทะตอนนั้นนะคะก็มักจะโดดเปลี่ยนแล้วก็ไปหมกตัวอยู่ตามท่านาต่างๆของเมืองกัลากาต้า ติดกับท่าน้ำคือเชิงตะกอนสำหรับเผาศพซึ่งจะน่ากลัวเป็นพิเศษในตอนกลางคืนถ้าคุณฟังเคยไปอินเดียก็จะพบว่ายังมีการเผาศพแบบธรรมชาติมากนะคะแต่ว่าสถานที่เช่นนี้เป็นที่ที่โยคีมักจะแวะเวียนมาก็เป็นสถานที่สแสวงหาทางจิตวิญญาณของบรรดา น, นักบวชลวคะค่ะ ดังนั้นกิจกรรมในยามเที่ยงคืนของมุกุลทะจึงต่างจากกิจกรรมของนักเรียนโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง <Okay. S 1> คือแทนที่จะอยู่โรงเรียนหรือว่าอยู่บ้านอ่านหนังสือ <Okay. S 1> ก็มาหมกตัวอยู่ตามท่าน้ำ <Okay. S 1> ท่าน้ำสำหรับเผาศพที่มี <Okay. S 1> บรรดาโยคยีเนี่ยแวะเวียนมา สัปดาห์การสอบไล่ปลายภาคที่โรงเรียนมัธยมใกล้เข้ามาช่วงเวลาแห่งการสอบเสมือนการหลอกล่อที่น่าสะพึงกลัวแต่มุกุลทะก็หาได้วิตกกังวลแต่อย่างใดไม่การเผชิญหน้ากับเหล่าพูดผีทำให้เข้าไปเจ้าได้มาซึ่งความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน แต่ข้าพเจ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์อย่างท่านปราณพา น, นันทะที่ปรากฏร่างพร้อมกันได้ในสองที่ข้ออ้างของข้าพเจ้าคือความเชื่อมั่นที่ว่าเพราะเป็นเจ้าจะทรงเล็งเห็นว่าข้าพเจ้าเข้าตาจนแล้วและจะทรงประทานทางรอดให้อย่างแน่นอนความเชื่ออันไร้เหตุผลเช่นนี้บังเกิดขึ้นได้เพราะเหล่าสาวกผู้พักดีเคยได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ในยามคับขัน ในลักษณะที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้มันนักต่อ น, นักแล้ววันหนึง่งก็มีเพื่อนร่วมชั้นมาทักทายว่าไงามุกุนทะพักนี้ไม่ค่อยจะเห็นหน้าเห็นตาเลยนะว่าไงนันตุดูเหมือนการไม่โผล่หน้าไปโรงเรียนจะทำให้ฉันตกที่นั่งลำบากเสียด้วยสิ นันตุเป็นเด็กเรียนเขาหัวเราะชอบใจนายไม่ได้ท่องหนังสือเตรียมตัวสอบเลยสิท่ามาฉันจะช่วยนายเองนะมูกุญทะคำพูดง่ายๆนั้นคือคำมั่นสัญญาที่เบื้องบนประธานมาโดยแทะเหมือนกับว่าเบื้องบนส่งนันตุมาช่วยแล้วมูกุนทะก็ไปหานันตุที่บ้านนันตุ ก็ช่วยแนะแนวทางการตอบคําถามต่างๆที่คาดว่าอาจารย์จะนํามาออกเป็นข้อสอบให้อย่างจริงใจเป็นเด็กเรียนที่น่ารักมากคําถามพวกนี้เป็นกลลวงในข้อสอบจะล่อให้นักเรียนที่หลงเชื่อติดกับจําคําตอบของฉันไว้แล้วนายจะรอดพ้นจากหลุมพรางไปได้ด้วยดีนะคืนนั้นกว่ามุกุลทะจะออกจากบ้านของนันตุ ก, ก็ดึกโข ในหัวของเขาอัดแน่นไปด้วยความรู้ล้วนๆเขาสวดภาวนาขอให้จดจําความรู้เหล่านี้ไว้ได้จนกว่าจะสอบเสร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้านันตูติวข้อสอบให้หลายวิชาแต่เพราะว่ามีเวลาน้อยจึงลืมวิชาภาษาสันสกฤตไปหนึ่งวิชาซึ่งมูกุนทะก็สวดวิงบอลขอพระเป็นเจ้าให้ทรงช่วยวิชาที่พลาดไปอย่างร้อนอกร้อนใจเต็มที่ ชาววันรุ่งึ้นเข้าระเจ้าออกมาเดินเล่นพรางทบทวนความรู้ใหม่ให้เข้ากับจังหวะฝีเท้าของตนเองขณะที่ใช้ทางลัดเดินตัดดงวัชพืชอันรกรื้อบนที่ดินแปลงที่อยู่ติดกับหัวมุมถนนไปสายตาเข้าระเจ้าก็บังเอิญเหลือไปเห็นกระดาษสองสามแผ่นตกอยู่บนพื้นเข้าระเจ้าช่วยมันขึ้นมาถือไว้อย่างลิงโลดบนกระดาษ มีสโลกภาษาสันสกฤตพิมพ์อยู่หลายบทเขาพเจ้าแล่นไปหาท่านผู้รู้ให้ช่วยแปลความหมายที่เขาพเจ้าไม่ค่อยจะเข้าใจในทันทีทันบรายสโลกภาษาโบราณอันสละสลวยอ่อนหวานและไพเราะด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวล แต่สโลกอันไพเราะเหล่านี้คงจะช่วยเรื่องการสอบวิชาภาษาสันสกฤตของเธอไม่ได้หรอกนะแต่กระนั้นการศึกษาทําความคุ้นเคยกับสโลกพวกนี้ก็ช่วยให้เข้าไเจ้าสอบผ่านวิชาภาษาสันสกฤตในวันถัดมาและเพราะได้นันตุช่วยติวข้อสอบให้ ข้าพเจ้าจึงสอบผ่านทุกวิชาไปได้ด้วยคะแนนขั้นต่ำสุดคือในที่สุดก็สามารถสอบผ่านไปจนได้พอมุกุลทะดีใจมากที่ลูกชายรักษาคำพูดสามารถเรียนจบชั้นมัธยมมาจนได้ ในขณะที่มุกุลทะซทับซึ้งในพระกรุณาแห่งองค์พระเป็นเจ้าเขามั่นใจว่านี่คือการชี้นำของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวทั้งการไปติวข้อสอบที่บ้านนันตุกและการไปเดินเล่นแล้วก็บังเอิญเลือกใช้ทางลัดที่เต็มไปด้วยกองขยะแล้วก็ไปเจอสโลกภาษาสันสกฤตนั้น ที่ทำให้เขาสามารถสอบผ่านวิชาสันสกฤตได้ในที่สุดเมื่อเรียนจบแล้วมุกุลทะจึงวางแผนที่จะออกจากบ้านไปอย่างเปิดเผยคือตอนนี้ไม่คิดที่จะออกจากบ้านเหมือนอย่างที่ผ่านมาซึ่งเป็นการหนีแต่คราวนี้เนี่ยจะไปอย่างเปิดเผย โดยมีเพื่อนรุ่นน้องที่ชื่อจิเตนทรมาชุมดาร่วมทางไปด้วยทั้งคู่ตัดสินใจจะไปเข้าอาสมศรีพรตะทำมามหามงคลในเมืองพรณสศีเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาธรรมด้วยกัน <S 2> <S 2> <S แต่เมื่อคิดขึ้นมาว่าจะต้องจากครอบครัวไปมุกุลทะก็อดที่จะรู้สึกอ้างว้างแกมรันทศไม่ได้ เพราะนับจากแม่ลาจากไปเขาก็รักใคร่ผูกพันกับน้องชายทั้งสองคือสานันทะและพิสนุตลอดจนธามูผู้เป็นน้องสาวคนเล็กมากขึ้นเข้าระเจ้าผุนผันขึ้นไปยังห้องเล็กใต้หลังคาที่ตนเองมักใช้เป็นที่สงบใจหลายครั้งที่เกิดสับสนว้าวุ่นขึ้นบนมรคาสาทานะ หมายถึงหนทางเบื้องต้นเพื่อการเข้าถึงพระเป็นเจ้านะคะสำหรับมรรคาสาธนะหลังจากร้องไห้อยู่สองชั่วโมงเต็มความรู้สึกผูกพันที่กัดกร่อนแล้วก็ทรมานใจก็หายไปการตัดสินใจออกสแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าก็กลับมาแน่วแน่มั่นคงเหมือนเดิมตอนที่มุกุลทะ เข้าไปขอพรจากพ่อพ่อมีท่าทางหมนมองแล้วก็กล่าวกับเขาว่าพ่อขอเป็นครั้งสุดท้ายอย่าทิ้งพ่อทิ้งพี่น้องที่เศร้าโศกเสียใจของลูกไปเลยนะแต่มุกุลท้าบอกว่าพ่อผู้เป็นที่รักและบูชาของลูกผมจะต้องบอกอย่างไร พ่อจริงจะรู้ว่าผมรักพ่อมากแค่ไหนแต่นั่นยังเทียบไม่ได้กับความรักที่ผมมีต่อองค์พระบิดาเจ้าทรงประทานพ่อผู้ประเสริฐสุดให้กับผมบนโลกใบนี้พ่ออนุญาตให้ผมไปเถอะนะครับเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าผมจะได้กลับมาด้วยปัญญาอันกระจ่างในธรรมยิ่งขึ้นพ่อยอมอนุญาตอย่างไม่เต็มใจมุกุลทะออกเดินทางไปหาจิเตนทร ที่รออยู่ที่อาสมในเมืองพาราณสีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างมีมัตรีจิตจากหัวหน้าสวามีหนุ่มนามว่าทยานันทะทยานันทะเป็นนักบวชรูปร่างผอมสูงมีท่าทีใจดีเอื้ออารดวงหน้าสะอาดสะอ้านดูสงบคล้ายกับพระพักของพระพุทธรูป มุกุลทะดีใจที่บ้านหลังใหม่แห่งนี้มีห้องใต้หลังคาที่จะหลบมาทำสมาธิในยามฟ้าสางไล่เลยไปตลอดช่วงเช้าสมาชิกคนอื่นๆในอาสมไม่ค่อยจะประสานในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิและก็คิดว่ามุกุลทะควรที่จะอุทิศเวลาทั้งหมดช่วยการงานในอาสมมากกว่าเมื่อเขาเข้าไปช่วยงานธุรการที่สานักงานในช่วงบ่าย ก็ได้รับคําชมเชยเป็นการใหญ่เยอะรีบค่ายคว้าหาพระเป็นเจ้าเร็วนักเลยเพื่อนร่วมอาสมคนหนึ่งเอ่ยคํายั่วยาอเมื่อมุกุลทะละจากงานในสานักงานแต่หัววันเพื่อที่จะไปปฏิบัติสมาธิในห้องใต้หลังคา เขาไเจ้าตรงไปหาท่านทยานันทะผู้ทำงานง่วนอยู่ในห้องบูชาเล็กๆที่ยื่นออกไปหาแม่น้ำคงคาสามีจีคำว่าจีจะเป็นคำที่เติมไปท้ายคำเรียกหาเพื่อแสดงความเคารพนะคะก็คือเรียกท่านสวามีแต่เติมคำว่าจีลงไป ก็คือเรียกเรียกว่าท่านสวามีนั่นเองสวามีจีกระผมไม่เข้าใจว่าที่นี่หวังสิ่งใดจากตัวกระผมกระผมมาสแสวงหาหนทางเพื่อเข้าถึงพระเป็นเจ้าโดยตรงหากไร้ซึ่งพระองค์ท่านเสียแล้วการได้รับการยอมรับจากผู้คนในอาสมการศึกษาคัมภีร์หรือหน้าที่การงานใดๆก็หามมีความหมายใดต่อกระผมไม่ท่านนักบวช ตบหลังของเขาอย่างเอ็นดูแล้วก็แซงทําทีว่ากล่าวสิทธ์อื่นๆที่อยู่แถวๆนั้นที่เคยมาแซวเขาบอกว่าอย่าไปรบกวนมุกุนทะเขาเดี๋ยวเขาก็เรียนรู้แนวทางของพวกเราได้แล้วมูกุนทะไม่อยากเสียมารยาจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจสิทธ์คนอื่นๆ พากันเลี่ยงออกจากห้องไปโดยไม่ได้มีทีท่าสลดต่อคำตำหนิของท่านอาจารย์แต่อย่างใดในขณะที่ตัวท่านเองก็หันมากราวกับเขาว่ามุกุลทะฉันเห็นพ่อส่งเงินมาให้เธอใช้เป็นประจำเอาเงินนั้นส่งคืนพ่อไปเสถะอยู่ที่นี่เธอไม่จำเป็นต้องใช้เงินอีกข้อหนึ่ง ที่เธอต้องปฏิบัติคือเรื่องอาหารต่อให้หิวอย่างไรก็ห้ามเอ่ยปากออกมาอย่างเด็ดขาดอาหารมื้อแรกของอาสมแห่งนี้จะมีให้กินตอนเที่ยงตรง <Love you. S 1> แต่สมัยที่อยู่บ้านมุกุนทะเคยชินกับการกินอาหารเช้ามื้อใหญ่ตอน9ก้าโมง ช่วงเวลาที่ต่างกันถึงสมชั่วโมงนับวันดูจะ ย, ยาวนานออกไปทุกทีคืนวันใน ก, ะละกะาลกาตาที่เขาสามารถโวยวายกับคนครัวได้ในฐานที่ตั้งโต๊ะช้าไปแค่สิบนาทีจะไม่มีวันหวนคืนกลับมาอีกแล้วตอนนี้โวยวายอะไรไม่ได้เลย <shall> เขาจะต้องควบคุมความหิวของตัวเองให้ได้ <shall> เขาจึงตัดสินใจ อดอาหารเป็นเวลา24ชั่วโมงเต็มและต้องใช้ความอดทนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในการรอคอยเวลาเที่ยงของวันถัดไปติดตามชีวิตการปรับตัวของมุกุลท้าได้ช่วงหน้าคะ่ะ ปรากฏว่ามีข่าวร้ายค่ะในขณะที่มุกุลทะพยายามที่จะควบคุมความหิวของตัวเองโดยการตัดสินใจอดอาหารเป็นเวลา24ชั่วโมงเต็มแล้วก็ต้องรอมื้อเที่ยงเวลาเที่ยงของวันถัดไปจีเตนทรก็นำข่าวร้ายมาบอกว่ามุกุลทะ รถไฟขบวนของท่านธยานันทะเสียเวลามาถึงช้ากว่ากาหนดเราจะรอจนกว่าท่านจะมาถึงเราจึงจะกินอาหารกันข่าวร้ายเลยคือเพื่อตอนรับท่านสวามีผู้จากไปนานถึงสองสัปดาห์กลับอาสมจึงมีกา ร, ตรเตรียมอาหารหลายอย่างเอาไว้กลิ่นอาหารที่หอมฟุ้งอยู่ในอากาศช่างยั่วน้ำลายได้ดีทะท้แต่ก็ยังไม่สามารถ กินไข้าแต่เพราะเป็นเจ้าขอทรงบันดาลให้รถไฟรีบๆมาถึงด้วยเถิดพระเจ้าค่าแต่ดูเหมือนว่าเพราะเป็นเจ้าจะทรงมีสิ่งอื่นให้สนพระไทยมากกว่าเข็มนาฬิกาอันเชื่องช้ากระดิกผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว จากยามเที่ยงเป็นยามบ่ายยามเย็นจนกระทั่งความมืดโรยตัวลมท่านสวามีจึงได้ก้าวผ่านประตูเข้ามามุกุลทะต้อน ร, รับการกลับมาของท่านด้วยความยินดีเป็นที่สุดแต่เมื่อมาถึงแทนที่จะได้กินอาหารเลยจิเตนทรก็นําข่าวร้ายมาบอกมุกุลทะอีกครั้งว่า ทายานันทะจะอาบน้ำและทำสมาธิก่อนเราจึงจะยกอาหารออกมาเสิร์ฟได้ในขณะนั้นมุกุลทะจวนเจียนจะประคองตัวไม่อยู่อยู่แล้วกระเพราะของเขายัางไม่คุ้นกับการอดอาหารส่งเสียงประท้วงดังโครกครากภาพคนตายด้วยความอดอยากที่เคยเห็นปรากฏในความคิดคำหนึ่ง วันนั้นเขาได้กินอาหารในเวลาสามทุ่ม <ส prev. S 1> เขาพเจ้ายังจดจําอาหารข้ามมื้อนั้นได้อย่างแจ่มชัดในฐานะที่เป็นช่วงเวลาแสนสุขครั้งหนึ่งในชีวิต <ส Sept S 1> แต่ถึงจะอริดอร่อยกับอาหารสักแค่ไหนเขาพเจ้าก็ยังสังเกตเห็นว่าท่านทยา น, านันทะฉันอาหารอย่างใจลอยดูเหมือนว่าท่านจะล่องลอย อยู่เหนือระดับความสุขแบบพื้นๆตามประษาของข้าพเจ้าเมื่อมีโอกาสอยู่กับท่านสวามีตามลําพังในห้องทํางานมุกุลท้าก็ถามท่านสวามีว่าท่านสวามีท่านมีหิวหรือขอรับท่านตอบว่าหิวสิสีวันที่ผ่านมาไม่มีข้าวน้ําตกถึงท้องเลยฉันไม่เคยกินอาหารบนรถไฟ ซึ่งเต็มไปด้วยกระแสพลังอันไม่บริสุทธิ์ของปุถุชนจากหลากชั้นวันนะฉันเคร่งในวินัยของนักบวชตามที่มีระบุไว้ในศาสตร์ของนิกายของเรามากฉันมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับงานของอาสมค้างคาใจก็เลยไม่สนใจอาหารข้ามที่อาสมคืนนี้จะรีบกินไปทำไมกันพรุ่งนี้ค่อยกินให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ยังไม่สายแล้วท่านก็หัวเราะอย่างร่าเริง โมกุลทาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกละอายจนจุกอกท่านไม่ได้กินอะไรเลยมาถึงสี่วันในขณะที่เขาเพิ่งจะอดอาหารได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเอ่อท่านสวามีขอรับกระผมมีข้อที่ไม่เข้าใจในการทำตามคำสั่งของท่านสมมติว่าผมไม่เคยเอ่ยปากขออาหาร และไม่มีใครให้อาหารกระผมเลยแล้วกระผมกระผมไม่ต้องอดตายหรือครับก็ให้มันตายไปเลยถ้ามันจะต้องตายก็ต้องยอมตายมุกุลทะอย่าได้ยอมเชื่อว่าเธออยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งอาหารไม่ใช่ด้วยอำนาจแห่งพระเป็นเจ้าพระผู้ทรงสรรสร้างโภช น, นานานาชนิดพระผู้ทรงประทานความเจริญอาหารให้กับเรา ย่อมไม่อยู่นิ่งเฉยต้องทรงช่วยหาทางให้ผู้พักดีต่อพระองค์ได้รับอาหารพอให้ยังชีพอยู่ต่อไปได้อย่างแน่นอนอย่าคิดว่าเธอยังชีวิตอยู่ได้ด้วยข้าวเงินหรือมนุษย์หน้าไหนที่ให้ความช่วยเหลือเธอสิ่งเหล่านี้จะช่วยอะไรเธอได้ถ้าพระเป็นเจ้าพรากลมหายใจไปจากเธอพวกเขาเป็นแค่เครื่องมือของพระองค์เท่านั้นถามนิดเถิดว่า เป็นทักษะของตัวเธอเองหรือไงที่ทําให้อาหารย่อยได้ในกระเพาะจงใช้อํานาจในการแยกแยะที่เธอมีมุกุลทะใช้มันตัดผลที่เป็นเพียงปลายเหตุออกแล้วมองให้เห็นพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเอกองค์ปฐมบทแห่งสรรพสิ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าคําพูดอันแจ่มชัดตรงประเด็นของท่านทะลวงลึกเข้าถึงแกน่นแกนกระดูก มายาคติที่ลงยึดติดมาแต่เล็กแต่น้อยว่าความจำเป็นทางกายเอาชนะวิญญาณได้ก็มาลายหายไปในช่วงขณะจิตนี้ข้าพเจ้ารู้สึกและลิ้มรสได้ถึงความเพียงพอในทุกสิ่งซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้ไม่รู้ว่าสักกี่ครั้งกี่หลขณะเดินทางไปตามบ้านเมืองแปลกๆอย่างไม่หยุดหย่อนในช่วงหลังของชีวิตที่มีเหตุให้ข้าพเจ้าได้พิสูจน์คุณค่าของบท เ, เรียน ซึ่งได้รับจากอาสมในเมืองพาราณสีแห่งนี้สมบัติชิ้นเดียวที่มุกุลท่านำติดตัวมาจากกาลากาตาคือเหรียญเงินเครื่องรางของท่านสาทุที่แม่ส่งมอบต่อมาให้กับเขาเขาเก็บรักษามันไว้เป็นอย่างดีนานปี และตอนนี้ก็ซ่อนเอาไว้ในห้องพักอย่างระมัดระวังเช้าวันหนึ่งเขาเปิดกล่องที่ปิดล็อกเอาไว้ออกเพื่อชื่นชมเหรียญเครื่องรางที่เป็นเสมือนเครื่องยืนยันรอยปิดยังผนึกแน่นไม่มีร่องรอยว่ามีใครมาแตะต้องแต่เหรียญเครื่องรางได้หายไปมูกุนทะถึงกับน้ำตาร่วงฉีกซองออกสำรวจทุกซอกทุกมุมให้แน่ใจ มันอุบัติขึ้นจากอากาศสธาติและหายไปกับอากาศสธาตตรงตามที่ท่านสาธุได้เคยบอกเอาไว้ไม่ผิดความสัมพันธ์ระหว่างมุกุนทะกับสานุสิทธิ์ของท่านทยา น, นันทะนับวันมีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆคนทั้งอาสมตีตัวออกห่างเพราะไม่พอใจที่มุกุนทะไม่ยอมปรับตัวเข้าหา คั้งอย่างมุ่งมั่นปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าให้ถึงพระผู้ทรงเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างแน่วแน่การกระทําอันมุ่งมั่นของเขาทําให้เกิดการวิพากวิจารณ์จากคนรอบข้างวันหนึ่งเขาเข้าไปหมกตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาตั้งแต่รุ่งสางด้วยความกรกรุ้มทอแท้ ตั้งใจจะสวดภาวนาจนกว่าจะได้รับคำตอบข้าแต่พระโลกมาตาผู้ทรงเมตตาหากมีเสด็จมาประทานคำสอนผ่านทางนิมิตด้วยพระองค์เองก็ขอได้โปรดประทานคุ ร, รุมาให้กับข้าพระบาทด้วยเถิดมุกุลทะสวดวิงวอนทั้งน้ำตาโดยไม่มีคำตอบกลับมาอยู่หลายชั่วโมงจู่จู ก็มีเสียงทิพย์อ่อนหวานดังกังวานจากรอบด้านว่าครู ข, ของเจ้าจะมาในวันนี้แต่เสียงนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงตะโกนจากคนในอาสมคนหนึ่งนักบวชหนึ่งชื่อฮาบูร้องเรียกมาจากห้องครัวที่ชั้นล่างบูกุนทะเลิกทำสมาธิได้แล้วเธอต้องออกไปช่วยซื้อของข้างนอกกับฉัน ถ้าเป็นวันอื่นมูกุนทะคงจะสวนกลับด้วยความงุดหิดแต่ตอนนี้เขาได้แต่เช็ดน้ำตาออกจากหน้าที่บวมชำ้ำและก็ยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดีเขาเดินไปกับฮาบูไปตลาดซึ่งอยู่ในย่านชุมชนชาวเบงกอลของเมืองพาราสีดวงอาทิ์ร้อนแรงแผดแสงไม่เต็มที่ ในระหว่างที่เดินจ่ายของกันอยู่ทั้งคู่เดินเบียดเสียดกับผู้คนทั้งแม่บ้านที่แต่งกายด้วยสีสันอันสดใสมักคุเทศนักบวชแม่ไม้ในเครื่องนุ่งห่มแบบเรียบๆไร้สีสันพรามผู้สูงทรงและสัตสักสิทธิ์อย่างบัวมีให้เห็นอยู่ทั่วไปหาบูกับมุกุลทะมุ่งตรงไปข้างหน้า เขาหันไปมองดูตรอกแคบๆที่ไม่สะดุดตาด้วยประการทั้งปวงปรากฏว่าที่ท้ายตรอกมีชายผู้หนึ่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นห่ผมผ้ากาสายะแบบสวามีหรือแบบนักบวชทั้งหลายแล้วก็มีลักษณะหน้าเลื่อมใสประหนึ่งพระเยซูเขาดูคุ้นตาขึ้นมาทันทีในฉับพลันทันใด และคล้ายกับเคยคุ้นกันมาแต่ปางบันชั่วพริบตานั้นเขาไปเจ้าเพ่งมองไปยังชายผู้นั้นอย่างจริงจังแต่แล้วก็เกิดไม่แน่ใจขึ้นมาเราคงจะสับสนสัญญาสีท่านนี้คงจะมีหน้าตาเหมือนใครบางคนที่เราเคยรู้จักเป็นแน่เจ้าคนฝันเฟื่องเอ้ยไปต่อได้แล้วเหมือนกับเคยรู้จักพอผ่านไปสิบนาทีมุกุนทะ รู้สึกว่าเท้าทั้งสองข้างหนักราวกับหินก้าวไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นครั้นฝืนกายหันกลับมาทางเก่าเท้าของเขาก็กลับขยับได้เป็นปกติแต่พอหันหน้ากลับไปยังทิศตรงกันข้ามเท้าก็หนักจนขยับไม่ไหวอย่างไรสาเหตุอีกครั้งหรือว่าโยคีท่านนั้นส่งกระแสจิตดึงดูดเปล่าให้ไปหาท่าน พอความคิดนี้แวบเข้ามาข้าพเจ้าก็เอาห่ อ, อของทั้งหมดใส่มือฮาบูผู้เฝ้ามองท่วงท่าการขยับเท้าอันพิลึกพิลั่นของข้าพเจ้าด้วยความขบขันจนต้องระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างกรุ้นไม่อยู่ไม่สบายหรือไงมูกุนทะหรือว่าบ้าไปแล้วมูกุนทะไม่สนใจ ได้แต่เร่งฝีเท้าหนีมาเงียบๆยอดกลับมายังตรอกสายนั้นตามทางเก่าเร็วราวติดปีกพอถึงก็มองไปที่ร่างซึ่งยืนอยู่เงียบๆเจ้าของร่างมองตรงมาทางเขาอย่างสุขุมเยือกเย็นเพียงสาวเท้าต่อไปไม่กี่ก้าวมูกุนทะก็ได้มาอยู่ณนะแทบเท้าของนักบวชท่านนั้นครูเทวะ ใบหน้าอันควรค่าแก่การบูชานั้นคือใบหน้าเดียวกับที่มุกุลทะเคยเห็นในนิมิตนับพันครั้งใบหน้าที่มีศรีรษะคล้ายราชสีหนวดเคราวตาวัดชี้มีปอยผมทิ้งระ ล, ะลงมาดวงตาสงบสุขคู่นั้นมักจ้องมองผ่านเข้ามาในจินตนาการยามวิการของเขาอยู่บ่อยครั้งและในแววตานั้นมีคามั่นสัญญา ที่เขาเข้าใจได้เพียงบางส่วนแฝงอยู่ด้วยสิทธิ์เอ้ยไหนที่สุดเธอก็มาหาครูจนได้ครูเฝ้ารอเธอมาเนิ่นนานปีเหลือเกินทันพรมพูดประโยคข้างต้นนี้ในภาษาเบงกาลีซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความเรื่มปิติ เราทั้งคู่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในความเงียบคำพูดดูจะกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปในยามนี้เข้าไปเจ้ารู้ได้ในทันทีว่าท่านอาจารย์ได้เข้าถึงแล้วซึ่งพระเป็นเจ้าและท่านจะนำพาเข้าไเจ้าให้บรรลุถึงพระองค์ได้เช่นกันสิ่งซึ่งยากเกินจะเข้าใจในชีวิตนี้เลือนหายไปในทันที ที่ความทรงจำก่อนการถือกำเนิดได้ก่อตัวขึ้นเวลาอันแสนมหัศจรรย์ดุดละครที่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นฉากซึ่งคอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนี่คงไม่ใช่รุ่งอรุณแรกที่ข้าพเจ้าได้มาคุกเข่าอยู่แทบเท้าอันศักดิ์สิทธิ์คู่นี้แน่ อาจารย์จุงเบือพาข้าพเจ้ากลับไปยังที่พักชั่วคราวของท่านที่ย่านราณามาฮานภายในเมืองท่านมีรูปร่างแบบนักกีฬามีท่วงท่าการก้าวย่างที่มั่นคงเรือนกายสูงโปร่งตั้งตรงและด้วยวัยราวห5หปีในเวลานี้ท่านยังดูคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงราวกับชายชะกันก็ไม่ปานดวงตาท่านโตมีสีเข้ม และงดงามด้วยปัญญาอันลึกลำผมท่านอยากศกน้อยๆทำให้ดวงหน้าอันทรงอำนาจนั้นดูอ่อนโยนลงเป็นความแข็งแกร่งที่ผสานเข้ากับความนุ่มนวลได้อย่างน่าพิศวงขณะที่เดินออกไปยังระเบียงของบ้านที่หันออกหาแม่น้ำคงคาท่านกระเออยขึ้นด้วยความรักและความอาทรว่า ครูจะยกอาสมทั้งหลายกับสมบัติทั้งหมดที่มีให้กับเธออาจารย์ขอรับกระผมมาเพื่อสแสวงหาปัญญาและการเข้าถึงพระเป็นเจ้าสมบัติของท่านที่กระผมต้องการก็คือสิ่งเหล่านี้กว่าที่อาจารย์จะเอ่ยปากขึ้นอีกครั้งแสงสนธยาแห่งอินเดียได้คลี่คลุมลงกว่าครึ่ง ดวงตาของท่านฉายแววเมตตาอย่างลึกซึ้งครูจะรักเธอโดยปราศจากเงื่อนไขช่างเป็นวาจาอลัมข้านักและเวลาก็ล่วงเลยไปอีก25ปีกว่าที่ข้าพเจ้าจะได้สะดับฟังข้อพิสูจน์จากใจในความรักของท่านอีกครั้งปกติแล้วท่านจะไม่พูดจาแสดงอารมณ์ หรือความรักออกมาอย่างโจงแจ้งความเงียบนั้นดูจะเหมาะกับจิตใจอันไพศาลปานมหาสมุทรของท่านเสียมากกว่า<อ>แล้วเธอเล่าจะให้ความรักอันปราศจากเงื่อนไขเชกเช่นเดียวกันนี้กับครูได้หรือไม่ท่านมองเข้าไเจ้าด้วยความเชื่อมัน่นไม่ต่างจากแววตาของเด็กน้อย กระผมจะรักเคารพท่านตลอดไปเคารพครุเทวะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป <I am S 2> ติดตามได้ กับชีวิตโยคีจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษายโยคานันทะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ให้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน